สังโยชนิสประการประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคำว่าสังโยชน์ก่อนสังโยชน์แปลว่ากิเลสที่โผล่ิตใจสัตว์เป็นกิเลสอย่างละเอียดซึ่งบางที่ก็เรียกว่าอนุสัยก็มีถ้าเป็นอนุสัยก็แสดงว่า เป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าในสันดานนั่นเองฉะนั้นสังโยชน์สิบก็คือหนึ่งสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นเหตุถือตนสองวิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาของตนสามสีลักษะปรามาตฐความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเข้าใจว่ามีได้ด้วยศีลพ หรืออย่างนั้นอย่างนี้สี่การ ร, ราคะความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกามเรียกแต่เพียงว่าราคะก็มีหปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความหุดหงิดด้วยอำนาจโทสะเรียกโทสะตรงทีเดียวก็มีหกโรป ร, ราคะความติดใจอยู่ในรู ป, ปรธรรมเช่นชอบใจในบุคคลบางคน หรือในพัสดุบางสิ่งหรือแม้วัตถุอันเป็นอารมณ์แห่งรูปฌานเจ็ดอรมปราคะความคิดอยู่ในรูปธรรมเช่นพอใจในสุขเวทนาแปดมานะความสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่เก้าอุทธะจะความคิดสัน้นนึกอะไรก็เพลินเกินไปกว่าเหตุ อวิชชาความเขลาอันเป็นเหตุให้ไม่รู้จริงก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับข้อแรกคือสักการะทิฏฐิพอเป็นแนวทางให้นักเกรยียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ละทั้งหลายได้พอเข้าใจเพียงย่อๆคำว่าสักการทิฏฐิความเห็นว่าเป็นเหตุถือตนในคำว่าถือตนในที่นี้ก็หมายถึงว่าสำคัญว่าตัวเรามีนะ คือติดในสมมุติติดในสมมติบัญญัติว่าตัวเรามีตัวเขามีาถือวาอ่านี่เป็นเรานี่เป็นเขานั่นเป็นของเรานั่นเป็นของเขาคนเราเมื่อถืออย่างนี้แน่นอนที่สุดก็ทำให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแน่นอนที่สุดความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทองค์ได้ตรัสว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีสัพเพธรรมาอนัตตาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนก็ไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของเราว่าเป็นของเขาแต่ถ้าเราไปยึดถือเขามันก็ผิดนะมันก็ผิดมันจึงเป็นทุกข์มันจึงเดือดร้อนนะแล้วก็การทําอะไรที่เราถือเราถือเขาถือพวกพร้อมของเรา พวกพ้องของเขามันก็ยิ่งเกิดความทุกข์มากยกใหญ่ประเทศชาติใดถ้าหากว่ามีคนที่เห็นแก่พวกพ้องมากถือพวกถือพ้องถือตนมากประเทศชาตินั้นก็ไม่เจริญจะมีแต่การคอร์รัปชันมีแต่การโกงกัรกินช่อราดบังหลวงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนั่นเองไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยิ่งไปกว่านั้นคนที่อถือตัวถือตนก็คือว่ายำติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสหรือว่าติดในขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณซึ่งริ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าเรามาลหลงไหลยึดว่าจะต้องเป็นของเราก็มีการแสวงหาเมื่อแสวงหาไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมลก็เอาด้วยคาถา ไม่ได้ด้วยสุจริตก็ต้องเอาด้วยทุจริตอันนี้แหละมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจะต้องรู้จักละรู้จักวางรู้จักหยุดเมื่อเรารู้จักละรู้จักวางรู้จักหยุดแน่นอนที่สุดเราก็จะสบายใจเราก็จะสบายใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ถือเอาตัวถือตนก็หมายถึงว่า แม้ ใ, ใครจะพูดว่าติชินมนินทาอย่างไรก็ถือว่ามันเป็นโลกกระทำโลกกระมเป็นธรรมเกิดมาพร้อมกับโลกการติชินมนินทาหรือการสันเสริญยกย่องยกยอ ป, อป้อนอะไรก็แล้วแต่อันนั้นมันเป็นโลกกระรมคนจะดีหรือชั่วไม่อยู่ที่การติชินมนินทาหรือว่าการสันเสริญคนจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่ตัวของเราเอง พระพุทธองค์จึนได้ตัดไปว่ากัลยาณ์นาการีกัลยานังปาปการีจประปาปังเราทำดีก็ย่อมได้ความดีทำชั่วก็ย่อมได้ความชั่วอันนี้มันเป็นหลักเป็นพุทธพจน์อยู่แล้วฉะนั้นขอให้เราได้ทำความเข้าใจในข้อนี้ให้มากนะอย่าไปหลงไหลไปฝันกับสิ่งอันที่ไม่มีตัวไม่มีตนนะไปติดในสมมุติเมื่อเราติดในสมมติบัญญัติแ น, น่นอนที่สุดก็เป็นเหตุให้เราต้องถือมัน นะไอการที่เราไปถือมันนะมันก็ปวดมันก็เมื่อยนะแต่ถ้าเราละระวา่างทั้งมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยมันก็สบายนะอย่าไปนึดว่าอย่าไปติดว่านั่นเป็นภรรยาของเราอ่านะนั่นเป็นสามีของเรานั่นะเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานั่นะเป็นลูกของเราเป็นญาติของเราถ้าเราไปติดไปหลงไปยึดมั่นถือมั่นมันก็จะทุกข์มากนะภรรยา สามีพูดไม่ถูกใจหน่อยก็โกรธเคืองไม่พอใจเดี๋ยวก็หาโอกาสทะเลาะเบาะแวงกันทุกปีกันผลที่สุดก็าถึงกับการฆ่ากันก็มีนะนี่นี่ก็เพราะว่าเราไปสําคัญว่ามันเป็นของเราเนะียเมื่อเป็นของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงเรานี้เราบังคับไม่ได้เลยนะเราบังคับไม่ได้นะเราว่านี่เป็นภรรยาของเราแต่จริงๆแล้วตอนที่มาอยู่กับเราขอประทานโทษจะไปเป็นภรรยาใครเราก็ไม่รู้นะ เขาเราว่าคนนี <í> ้เป็นสามีของเราแต่ตอนที่เขาไม่ได้อยู่กับเรานั้นเขาไปเป็นสามีของใครเราก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หรือบางครั้งเราไปได้ยินได้ฟังเขายุแย่มาว่าภรรยาเราสามีเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็ยึดมั่นถือมั่นเอาเลยว่าเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนี้กลับมาบ้านก็มาทะเลาะบอกแว่งกันทุบตีกันเป็นเหตุทําให้แตกแยกกันเพราะคํายุแย่ของผู้อื่น จริงๆแล้วไม่ได้มีความจริงอย่างนั้นเลยอันนี้ก็มีม า, มามากต่อมากแล้วฉะนั้นข้อนี้แหละถือว่าเป็นข้อสำคัญเป็นด่านแรกที่เราจะผ่านไปเป็นพระอริยบุคคลจะต้องผ่านด่านนี้ได้เสียก่อนต้องละเหตุอันนี้ได้เสียก่อนแล้วจึงจะไปเป็นพระอริยบุคคลได้แต่ถ้าหากว่าเรายังละไม่ได้ก็ไปเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันไม่ได้ ประการที่สองวิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในปฏิปทาหรือในข้อปฏิบัติของตนในข้อที่ว่าลังเลก็คือว่าเป็นคนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือไม่มีความรู้ในสิ่งที่ตนกระทําในสิ่งที่ตนพูดตนคิดอย่างนั้นทำให้เกิดความลังเลไม่แน่ใจมีความรู้ไม่ดีไม่ภูมิฐานว่างั้นเถอะไม่สมภูมิ ก็ทําให้เกิดความลังเลสงสัยฉะนั้นในความลังเลสงสัยเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่แน่นอนตัดสินใจอะไรไม่ได้ทําให้เราเป็นคนจับจดฟุ้งร้างนะคิดฟุ้งร้านราคาญใจอจะทําอย่างนั้นก็กลัวผิดจะทําอย่างนี้ก็กลัวผิดอ่าจะทําอย่างนั้นก็กลัวเขาว่าจะทําอย่างนี้ก็กลัวเขาว่าจะทําอย่างนั้นถูกหรือเปล่าเนาะอย่างนี้ผิดหรือเปล่าเนาะทําอย่างนี้เป็นบุญหรือเปล่าทําอย่างนั้นเป็นบาปหรือเปล่า ออันนี้ใช่พระพุทธอันนี้ใช่พระธรรมอันนี้ใช่พระสงฆ์หรือเปล่าให้มันเกิดสงสัยอยู่ตลอดเวล า, าเกิดสงสัยอยู่ตลอดเวลาเพะนั้นตัววิจิกิจฉานี่แหละเป็นตัวที่สรา้างภพสร้างชาติเป็นตัวที่สร้างภพสร้างชาติทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่ร่ําไปเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะไปตัดความสงสัยอันนั้นให้หลุดไปได้นให้หลุดไปได้ ยังคลุมเครือยังมืดมัวมืดมนอนทะการอยู่ในจิตใจฉะนั้นเราจะต้องมีความเชื่อมั่นนจึงจะตัดมีปัญญามีความรู้ดีจึงจะตัดตัววิจิิจฉานี้ได้นะมาในข้อที่สามีลพัตาป ร, รา ม, มากความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเข้าใจว่ามีได้ด้วยศีลพราอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็หมายความว่า เชื่อพว ก, พ, วกพูดผีปีศาจปลกเทวดาผีเจ้าเข่าทรงมีการสะเดออาะเคราะ์ต่อชะตาอ่าเชื่อหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่ก็ปรากฏว่าพวกนี้ก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมีแต่ความหายน ะ, ะวันวันห น, นึงไม่มีเรื่องอะไรคอยตั้งหน้าตั้งตาแต่จะไปหาหลวงพ่อที่โน่นไปหาหลวงพ่อที่ น, น, นี่อยู่ตลอดเวลาพวกนี้ก็พวกวิชิกิจฉ้าอีกเหมือนกันไม่มีความเชี่ยวมั่นในการกระทำของตัวเอง หลักในทางพระพุทธศาสนาว่าคนจะดีจะชั่วยอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่เหตุอื่นนะอยู่ที่การกระทำนะฉะนั้นไม่ต้องไปอ้างเอาคนอื่นมาให้มาดูเรานะไอ้นคนที่ทําอะไรคอยจะเลิกคอยจะดิงคอยจะอ้อนวอนคอยจะพึ่งพาพูดผีปีศาจผีสางนางไม้ปกเทวดาต่างๆแล้วก็พวกนี้ไม่มีความเจริญนะพวกนี้ไม่มีความเจริญพูด ง, ง่ายๆเป็นคนเกียจครา้านนะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่เชื่อเรื่องกฎห่งกรรมคอยนอนเสี่ยงโชครับโชคอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็มีแต่ความหายณะอย่างเดียวไม่มีความสุข ก, กายสบายใจบ้านเมืองใดจังหวัดใดประเทศชาติใดถ้าหากว่ามีคนติดพวกศีลพจนนี้มากาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเหล่านี้มากพวกนั้นก็ประเทศบ้านเมืองนั้นจังหวัดนั้นประเทศชาตินั้นไม่เจริญไม่เจริญ ฉะนั้นประเทศชาติจะเจริญนั้นต้องคนภายในชาตินั้นมีความขยันขันแข็งตั้งใจทำกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตนได้รับมอบหมายให้กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ข้อนี้สำคัญมากพระพุทธองค์ท่านบอกว่าไอ้ความพร้อมนั่นแหละคือเลกคือขณะดีครู่ดียามดีเลิกดีแต่ถ้าเราไม่พร้อมมันก็ไม่ใช่เลิกดีนะ บางคนเราก็จะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งเก็บเงินไว้สามแสนบาทไปดูหมอหมอบอกว่าปีนี้ปลูกไม่ได้ถ้าปลูกแล้วร้อนที่อยู่อาจจะต้องรื้อต้องถอนก็เลยขอจะปลูกปีหน้าพอดีเงินก็ใช้หมดพอดีนี่นี่เพราะเชื่อหมอผู้แต่งงานบางคนเหมือนกันรักกับคนนี้อแต่ว่าพ่อแม่ไม่ชอบพ่อแม่แล้วก็ไปดูว่าดวงไม่สมพงกันอต้องสมพงกับคนลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ นะปราฏกฏว่า พ, พอไปแต่งกับคนลักษณะอย่างนั้นอยู่กันไม่ถึงสามเดือนต้องแยกกันนี่ก็เพราะเชื่อหมอนะทุกครั้งบางคนก็เสียมากบดเนื้อหมดตัวหมดเงินเป็นแสนเป็นล้านก็มีบางคนต้องิ้นเนื้อประดาดตัวพลอยให้คนในครอบครัวต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยก็เพราะความไม่ไปเชื่อหมอเชื่อผู้พีปีศาจลุงพ่อลงพี่อะไรอย่างนั้นเองอันนี้ถือว่า ในฐานะที่เราชาวพุทธก็ควรจะตื่นนะตื่นตาตื่นใจนะตื่นสติตื่นปัญญ า, าให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะว่าเราจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่ไหนอย่ามามัวอ้อนวอนคอยเลิกคอยดวงอย่างนี้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเหตุนะเมื่อหมดเหตุก็หมดกันไปฉะนั้นขอให้เราทุกคนสร้างเหตุให้ดีอย่ามานั่งคอยอยู่เฉยๆไม่ได้นะนั่งคอยอยู่เฉยๆไม่ได้ อันนี้ผิดหลักในทางสัพพุทธศาสนาผิดหลักสัพพุทธศาสนาแปลการที่สี่คือการมราคะความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกรรมอำนาจกิเลสการรมหรือบางที่เขาเรียกว่าราคะก็มีอำนาจกิเลสการมก็คือว่าความหมายถึงว่าตัวเจตสิกอันเป็นเหตุที่ทําจิตใจให้เศร้าหมองให้เกิดความกำหนัดความรัก ความใครน่นความใคร่ข้อนี้สําคัญอ่าคนเนาถ้าหากว่ามีความกําหนังกําหนังในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสแน่นอนที่สุดก็ทําให้เกิดการแสวงหาแสวงหารูปแสวงหาเสียงแสวงหากลิ่นแสวงหารสแสวงหาสัมผัสบางครั้งอยู่ที่บ้านไม่มีก็ไปแสวงหานอกบ้านนอกบ้านไม่มีก็ไปแสวงหาต่างอําเภอต่างอำเภอไม่มีก็ไปแสวงหาต่างจังหวัด บางคนไปแสวงหาต่างประเทศก็มีแสวงหารูปแสวงหาเสียงแสวงหากลิ่นแสวงหารถแสวงหาสัมผัสจนกระทั่งตัวตายนี่เพราะอะไรนี่ก็เพราะคมติดนั่นเองนะติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสมัยก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยเจริญนะไม่ค่อยมีวิทยุโทรทัศน์บ้านไหนมีวิทยุก็รู้สึกว่าบ้านนั้นมีหน้ามีตาอพอบ้าน พอมีโทรทัศน์บ้านไหนมีโทรทัศน์เอาบ้านนั้นก็มีหน้ามีตาขึ้น ừ ừ ừ ừ, ก็ทําให้พวกเราเกิดการแสวงหาอ่าแ <ừ, S 1> สวงหาที่จะอยากจะได้อวิทยุอยากจะได้ทีวีนะพอได้วิทยุมาแล้วเขาก็ต้องบอกตรงเอฟเอ็มก็ต้องแสวงหาต่อไปอแสวงหาต่อไปพ อ, อได้เอฟเอ็มแล้วก็บอกว่ามีฟังเสียงไม่ดีมันต้องเห็นภาพด้วยเห็นรูปด้วยอาก็เลยหาทีวีมาอีกได้ทีวีขาวดังขาบอกขาดังไม่ดีมันต้องดูเห็นสี มันเป็นธรรมชาติอืมพอได้สีมาแล้วอย่างนี้ไม่ดีมันต้องมีวิดีโอเทปต้องมีสเตอริโอนี่มันเป็นเรื่องของความการแสวงหาอโลคหาเสียหากลิ่หารถกันนั้งมันก็เลยเป็นเหตุหายนะบางคนต้องขายนาขายไร่ขายบ้านขายช่องยอมอดอ ด, อดยากยากยอมลําบากเพื่อเพื่ไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้หรือบางคนจะกินอาหารที่บ้านเนี่ยเรลือเกินถ้าเราจ่ายสักห้าสิบาทสามิบบาทเราอาจจะกินได้ทั้งครอบครัว แต่ก็กินไม่ได้นกินไม่อร่อยต้องไปกินนอกบ้านแต่กินนอกบ้านในสามสิบาทกินไม่ได้ต้องเป็นร้อยเป็นพันกินคนเดียวก็กินไม่ได้จะต้องมีเพื่อนจะต้องมีอนางคอยเสิร์ฟคอยรินให้นี่หรือบางคนกินนอกบ้านใกล้ๆไม่ไต้องไปกินต่างจังหวัดเอกลับมารถชนกันตายบ้างขับรถแหกโค้งไปบ้างเพราะความมึนเมานี่ก็เพราะการแสวงหาในเรื่องของกิเลสการมนั่นเองโครงการมารครั้นนั่นเอง ะนั้นต้าหากว่าเราพิจาจรณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการทั้งรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้มันไปติดจนเกินไปนะในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกจมกลิ่นลิ้นลิ้นรถคายถูกต้องสัมผัสใจนะคิดในลมต่างๆก็รู้จักยับยัง้งชั่งใจไว้บ้างนะรู้จักยับยั้งชั่งใจไว้บ้างก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจอย่างแท้อย่างแน่แท้ <c oughs> ข้อที่ห้าปฏิกะความกระทบกระทั่งแห่งจิต ในแก่ความหงุดหงิดด้วยอำนาจโทสะอ่าด้วยอำนาจโทสะคือคนบางคนนี่รู้สึกว่าเป็นคนใจน้อยโมโหโกรธาฉุนเฉียวเปรี้ยวกราดง่ายนีคนประเภทนี้ก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนคือเรียกว่าขอประทานโทษทำตัวให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าทําตัวเป็นโรคคันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเอ๊ สัตว์บางประเภทที่มันเป็นโรคขันมันจะเกาเข้ามันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ร้องบางครั้งเนี่ยมันก็วิ่งไปที่นู่นทิงวิ่งไปที่นี่ทิงฉะนั้นมันไม่มีความสุขเลยคนเราเหมือนกันถ้าว่าเป็นคนมีปฏิกะกระทบกระทั่งแห่งกิจหรือตัวโทสักอ่าเป็นคนใจน้อยโกรธง่ายอ่าใครพูดนิดพูดหน่อยก็โกรธอะไรอย่างเงี้ยทําอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โกรธอันนี้แหละคือคนที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองฉะนั้น เราจะต้องพิจารณาให้มากในข้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ความกระทบกระทั่งแห่งจิตด้วยความกดดผิดด้วยอํานาจโทสะนี้บางครั้งก็ทําให้เรานี้ต้องทําอะไรไปตามอํานาจตามอําเภอใจนะอาจจะด่าว่าเขาก็ได้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงหรือว่ามีการตีชกต่อยกันหรือมีการฆ่ากันก็ได้ด้วยอํานาจโทสะชั่วอารมณ์วูบเดียว อารมณ์วุ่เดียวเนี้ทําให้คนเราเนี่ตาลายทําให้ปัญญาไม่เกิดโทสะมันมามืดมิดเลยหมดคนเมื่อเมื่อตกอยู่ด้วยอำนาจโทสะก็เหมือนว่าน้ําที่กําลังเดือดนะน้ําที่กําลังเดือดคลั่นเอาอะไรใส่ลงไปมันมองไม่เห็นเพราะไอ้ความเดือดนั้นมันปกปิดไปหมดคนเหมือนกันถ้ า, าว่ากําลังมีโทสะกําลังโกรธมีอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจแล้วรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นดีไม่เห็นชั่ว อยากจะทําลายสิ่งนั้นให้หมดไปให้เป็นผงเป็นผงไปอะไรมา ก, กวางหน้าไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนี่เนี่ยเขาจึงบอกว่าไอ้ความโกรธในยอดมันหวานแต่ว่ารากมันเป็นพิษ <c oughs> คือหมายความว่าคนเราเวลาโกรธไม่พอใจอะไร <c oughs> ก็อยากจะทําตามที่อําเภอใจที่ตนคิดตนตาดทนาอยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะฆ่าซะเลยแต่เมื่อเราทําไปตามที่เรา นึกคิดปรารถนาแล้วรู้สึกว่าถ้าเราทําได้มันสบายใจไอ้การสบายใจเราคิดว่ามันสบายใจนี่แหละยอดมันหวานมันหวานแต่เมื่อเราทําไปแล้วที่ไหนได้มันไม่สบายใจมันกลับเป็นทุกข์หนักขึ้นอีกหลายสิบเท่าต้องคอยลบคอยซ่อดังบางทีก็ติดคุกติดตารางบางทีก็เป็นห้อยเป็นเปรี้ยวไปเลยก็เพราะไอ้การที่เราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจตัวความโกรกนี่แหละในรากมันเป็นพิษโคนมันเป็นพิษนะทําให้เราต้อง ติดคุกทั้งเป็นว่างนันเถอะนะติดคุกทั้งเป็นฉะนั้นตัวโทสะนี้เราจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจบ้างแก้ด้วยความอดทนบ้างด้วยความเมตตาบ้างก็จะทําให้เรามีความสุขกายสบายใจข้อที่หกโลภะราคะก็คือความติดในรูปธรรมเช่นชอบใจในบุคคลบางคนหรือว่าในพัสดุบางสิ่งหรือแม้วัตถุอที่เป็นอารมณ์แห่งรูปฌานนะรูปฌาน คือหมายถึงว่าเห็นรูปไอสวยๆก็พอใจรูปคนรูปสัตว์รูปบ้านรูปวัดไอก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุก็แล้วกันนะพอใจทั้งนั้นนะพอใจทั้งนั้นเสือ้อผ้าอาภรณ์ต้อมสบายเครื่องประดับมันชอบใจไปหมดเลย น, ะนี่พวกติดในรูปนะพวกติดในรูปคือทั้งๆที่ว่ารูปนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากว่าของในโลกนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยปันนี้ของอะไรก็เต็มโลกล้นโลกคนเราก็ล้มเดินไปกันไม่ได้อยู่แล้วะฉะนั้นอโดยสภาวะธรรมจริงๆก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเมื่ออุบัติขึ้นมาในโลกแล้วก็จะต้องมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นปวนแต่ในทางกลางแตกสลายไปในที่สุดใหม่ๆมันก็ใหม่นานเท่ามันก็เก่านานเข้าไป ม, มันก็ผุพังย่อยยับไปทุกสิ่งทุกอย่าง ฉะนั้านการที่เราไปติดหรือไปหลงไปยึดอยู่กับในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะมีประโยชน์อะไรนะท่นั้นเราต้องรู้จักละรู้จักวางนะรูปก่สักแต่ว่ารูปไม่ใช่สักถุกคนตัว ต, วตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตก็เช่นเดียวกันพิจารณาอย่างนี้ก็จะสบายใจก็เจ็ด อ, อารมปราคะความคิดอยู่ในรูปธรรมเช่นพอใจในสุขเวทนาอารมณ์ปรมเช่นพอใจอยู่ในสุขเวทนา คือติดติดเวทนาไอเวทนานี่หมายถึงว่าตัวสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ น, นี่เราติดนี่คือติดยังไงก็คือว่ารู้สึกเราไปนั่งที่ไหนมันสบายแม่รู้สึกว่าเราก็พอใจไปนอนบนที่นอนนุ่มๆนิ่มๆรู้สึกว่าพอใจอ่าพอใจหรือว่าได้ทานอาหารที่มัน อ, อร่อยรู้สึกเราก็พอใจเนี่ยเราติดเราติดติดในในเวทนาในสุขเวทนา ถ้าว่ามันไม่ดีเราก็ไม่พอใจนะ่ไม่พอใจนี่แหละฉะนั้นเราบอกว่าเราจึงติดนะแล้วเราจึงแสวงหากันแนะสวงหากันบางครั้งแม้เราไดไ้เครื่องประดับอย่างนี้มาว่าดีแล้วนะเราก็รู้สึกว่าสุขใจใส่ไปแล้วมันสุขใจพอไอ้แสิ่งนี้หายไปก็เกิดทุกข์ใจอีกแล้วนะในทั้งนองเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ใจเราปรารถนาเราต้องการรู้สึกมันเป็นสุข ที่เราไม่ต้องการมันก็เป็นทุกข์แต่ไอ้ที่เราบอกว่าเราปรารถนานั้นบางครั้งมันก็เปลี่ยนมันก็เก่าหรือว่าล้าสมัยเป็นไปตามการเวลานะเพราะว่าเครื่องประดับหรือว่าวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเปลี่ยนไปตามวัยนะฉะนั้นบางครั้งในเวลานั้นเราบอกว่าสวยแต่อีกเวลาหนึ่งเราก็ว่าไม่สวยมันล้าสมัยซะแล้วนะมันล้าสมัยซะแล้ว เพราะฉะนั้นในสุขเวทนานี้มันก็ไม่คงที่นะมันก็ไม่คงที่การที่เราไปติดในสุขเวทนามันก็ถือว่าเรายังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรตามสภาวธรรมเราก็ต้องรู้จักพอใจอยู่กลางกลางนะอยู่ในสถานะอะไรก็ได้นะจะดีหรือไม่ดีก็ทำใจให้เป็นกลางกลางไว้นะอย่างนี้สบายนะอย่างนี้สบาย <c oughs> มาในข้อที่แปด มานะความสําคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่สําคัญตัวถือตัวว่าดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาอะไรกว่าเขาอย่างนี้เมื่อเราถือตัวว่าดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนว่าเรานี่เป็นผู้เลิศกว่าเขาเป็นผู้ดีกว่าเขาหรือบางทีเราก็บอกว่าเราสูงกว่าเขาเรารวยกว่าเขามันก็ทําให้เราต้องมีอัสมิมานะมีทิฏฐิมีมานะเกิดขึ้นจะทําให้เราแสดงอาการ เราเย่อจริงจองห้องผองผนอะไรขึ้นมาใครเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันขวางหูขวางตาเป็นกิยาการที่น่าเกลียดน่าผิดฉินมินทาฉะนั้นเราจะต้องรู้จักละพยศลดมานะของเราเสียบ้างถ้าเราลดมานะในความสําคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เสียดได้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะอยู่แห่งผลใดก็มีแต่คนรักมีแต่คนนักถือมีแต่คนยอกย่องมาในข้อที่เก้า ก็คืออุทธจัจฉ์ความฟุ้งซ่านลาคาญใจนึกอะไรก็เพลินเกินไปกว่าเหตุบางครั้งก็ฟุ้งซ่านจนนึกว่าอยู่ไม่เป็นสุขนะมันเหมือนกับว่าอฝุ่นหรือว่าทางถนน ห, หนทางที่มันมีฝุ่นฟุ้งไปหมดเลยมันฟุ้งแล้วมันมองไม่เห็นรถบางทีก็ชนกันเหมือนกับมันมีหมอกมีควันอะไรเข้ามากัน้นทําให้เรามองไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยทําให้เราเกิดฟุ้งซ่านลาคาญใจนี่ ฉะนั้นในกิเลสตัวอุทจจะคือความคิดฟุ้งซ่านลำคาญใจนี้ก็เช่นเดียวกันมันฟุ้งและทําให้สติปัญญาไม่เกิดนะสติปัญญาไม่เกิดเมื่อสติปัญญาไม่เกิดแน่นอนที่สุดเราก็ทําอะไรไปแบบงงๆนะไปแบบงงๆไม่ขาดสติปัญญาหรือบางครั้งเรานึกอะไรก็นึกเพลินไปจนเลยไปเพลินบางครั้งเรียกนี่ไม่รู้สึกรู้สึกเผลอตัวนคะิดจนเผลอตัวคิดจนเพลิ น, น, พลนไปขาดสตินั่นเอง นะทั้งๆที่ว่าเขาให้นั่งภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธแต่แล้วเดี๋ยวมีเสียงอะไรมาก็เอาไปเอาเสียงนั้นเข้ามาอีกแล้วหรือให้ภาวนาว่ายุบเนอะพองเนาะยุบเนาะพองเนาะก็เอาเดี๋ยวไปเอาเสียงอื่นเข้ามาอีกแล้วนี่หรือว่าสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่เล้าเพลินนะทำเพลิ น, เ, นเรียกว่าขาดสติก็คือประมาทนั่นเองอันนี้มันก็มีแต่ทุกมีแต่โทษนะมีแต่ทุกมีแต่โทษฉะนั้นเราจะต้องมีสติมีปัญญาก็จะทําให้เรา n ั้น รู้อทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ฝุ่งฟ้านไม่รําคาญใจอืมก็จะมีแต่ความสบายข้อที่สิบก็คืออวิชชาความเขลาอันเป็นเหตุให้ไม่รู้จริงนตัววิชานี่ถือว่าเป็นรากเหง้าอันยิ่งใหญ่ะคนเราถ้าหากว่าปัญญาไม่เกิดนไม่มีวิชาก็คืออวิชชาตัวโง่นี่ก็ถือว่าสําคัญมากไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ความดับทุก ไม่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มีความสุขมีความสบายได้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นในสังโยชนิการตั้งนี้อตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าเป็นสังโยชน์เรื่องต่ำํำเรียกว่าอาโอรัมภาคียะตั้งแต่ข้อหกถึงข้อสิบเป็นสังโยชน์เรื่องสูง เ, เรียกว่าอุดธมภาคียะ อ, อุดธมภาคียะ แล้วก็พระยบุคคลก็ละได้แตกต่างกันไปพระโสดาบันละสังโยชน์ได้สมสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพสกปรามาตพระสกทาคามีก็ละได้สามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพสกปรามาตพร้อมกับธรรมราคะโทสะให้เบาบางพระนาคามีละได้ห้าคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพสกปรามาตการมราคัปติคะ ส่วนพระอาหารหันต์ละได้ทั้งสิธเลยตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิตริาสีลักษณะสามารถกามาราคะปฏิฆะรูปราคะอารมปราคะมานะอุทจจะอวิชช า, ชานี่อันนี้ละได้หมดเลยทีนี้ก็มีสังโยชน์อีกประเภทหนึ่งนะอีกประเภทหนึ่งก็คล้ายๆกันนะเสียงกันนิดหน่อยนะสังโยชน์ติดอีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งกามาราคะความกำหนัดในกามปฏิฆะหลงปฏิฆะความตระทบกระทั่งแห่งใจ สามมานะความถือตัวสี่ทิฏฐิความเห็นผิดห้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยหกสีลักษตะปรามาตความเชื่อสิ่งสักิสิทธิ์ด้วยเข้าใจว่าจะมีในสีนพบอย่างนั้นอย่างนี้เจ็ดภวะราคะความกำหนัดในพบแปดอิสาความลิศยาเก้ามัชริยะความตนีสิบอวิชาความเขาสังโยชสิบอย่างแรกเรียงตามลำดับอริยมรต ก, กาจัด อย่างหลังหาเกณฑ์จัดไม่ได้สังโยชน์สิบอย่างนี้โดยเขาเนื่อนก็คือสังโยชน์เจ็ดแต่เติมเข้ามาอีกสามก็คือสีลัาตากามาตอิจฉาความาริศยาแล้วก็มัชยยะความตนีทีเหนียวนะความตนนีทีเหนียวอันนี้ก็เห็นท่าจะไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าได้อธิบายมาในก่อนแล้วแล้ ว, ลวก็มาซ้ำกันนะก็ขอให้นะักเรียนนักศึกษาจาไวนะ้ในอย่างแรกก็ได้ทีนี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่า สังโยชน์สิบสองหมวดมีข้อธรรมต่างชื่อกันโดยอาจจะสงเคราะห์ให้ลงกันได้หรือไม่ถ้าได้จงสงเคราะห์มาดูอันนี้เราตอบก็ได้ก็คือสักกายติฐิวิจิกิจฉาสีระพสจะปรามาสงเคราะห์เป็นหนึ่งอันโสดาปฏิมักจะพึงตัดออกเสียการมราคะปฏิฆสงเคราะห์เป็นหนึ่งอันพระจกทาก า, าอันพระจกท า, าคามีมักจะพึง ทำให้เบาบางลงได้นี้สงเคราะห์อีกห้าประการก็คือที่กล่าวมาแล้วนั้นคือมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นมีปฏิฆะเป็นที่สุดนี้เป็นหนึ่งอันพระอนาคามิมักจะพึงตัดเสียได้สังโยอ ท, ทั้งสิบประการคือเพิ่มรูปเพิ่มรูปราคะอรูปราคะมานะอุตจาวิชาเข้าอีกสงเคราะห์เป็นหนึ่งอันพระอรหันตมักจะพึง ตัดเสียได้โดยสิ้นเชิงเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสังโยชน์ ส, ส, สิบสองหมวดก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะพูดในหมวดที่สิบว่าด้วยเรื่องสัญญาสิบประการ คำว่าสัญญาได้แก่ความกําหนดหมายหรือความจําได้หมายรู้เนี่ความจําได้หมายรู้สัญญาสิบประการนี้ซึ่งมีมาในคิริมา น, นทสูตรมีเรื่องอว่าพระคิริมานอนอาพาธหนักอง์สมเด็จพระาศาสดาทรงสแสดงสัญญาสิบประการนี้แก่พระอานน์แล้วตรัส อสั่งให้พระอานนท์นําเอาสัญญาสิทธิการนี้ไปแสดงแก่พระคีริมาล น, น์นะพระคิริมาล น, น์เมื่อพระคีริมาล น, น์ได้ฟังแล้วก็จะหายจากอาพาธนะก็จะหายจากอาพาธแล้วก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นในบทของอสัญญาสิทธิการนี้ก็จึงมักจะมีการ นำไปสวดในข่าวที่มีผู้หนึ่งผู้ใดเกิดอาพาธหรือเกิดการเจ็บป่วยเมื่อได้ฟังสัญญาสิบประการแล้วก็จะหายจากความอาพาธทีนี้เราก็มาดูกันว่าในสัญญาสิประการมีอะไรบ้างนะสัญญาสิบประการก็คือหนึ่งอนิจจสัญญาสองอนัตตสัญญา สามอสุภสัญญา 4. ี่อธีนวสัญญาห้าปหาณสัญญาหกวิราคสัญญาเจ็ดมิโรสัญญาแปดสัพพโลเกอณพิทศสสัญญาเก้าสัพพสังคาเลสุอนิจจสัญญาสิบอนาปานสติอานาปานสติทีนี้เราก็มาดู ความหมายของแต่ละข้อละข้อซึ่งก็จะอธิบายพอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติหรือประกอบการเรียนการศึกษาได้ในข้อแรกที่บอกว่าอ น, นิจนนจสัญญาคือกำหนดหมายความว่าไม่เที่ยงแห่งสังขารคือกำหนดพิจารณาเห็นธาตุทั้งสี่หรือขันธ์ทั้งห้าโดยความเป็นของไม่ที่ง โดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็หมายความว่าให้เราทุกคนนั้นกาหนดสังขารกาหนดธาตุสี่หรือขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือสังขารของเรานี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้าไฟลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทั้งธาตุทั้งสี่อย่างนี้เมื่อประชุมกันเข้าก็ยังทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ ท ำ, ำลำารงชีวิตยอยู่ได้แต่หากว่าธาตุทั้งสี่นี้ไม่ประชุมกันไม่สามารถขี่กันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้หรือว่าธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดพิกลวิการไป เ, เราก็พลอยวิกลวิการไปด้วยเช่นอย่างคนเป็นอัมพาตนี่ก็แสดงว่าธาตุสี่ต้องไม่ทำงานครบจัแล้วเรายกไม่ไหวเดินไปก็ยกเท้าไม่ค่อยไหวยกไม่ค่อยไหวธาตุดินมันหนักน ธาตุลมธาตุไฟธาตุลมมันเ่ยกขึ้นยกลงเนี่ยมันยกไม่ไหวแล้วไฟก็ไม่พัดแล้วเสียแล้วพิการแล้วแล้วก็ในในชีวิตของคนเราในสังขารของคนเราเนี่ยประกอบขึ้นด้วยขันห้าคือหนึ่งรูปสองเวทนาสามัญญาสีสังขารห้าวิญญาณรูปก็คือรูปคือสภาวะทีะ่ปรุงแต่งหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปไหลไปนะี่อยู่ตลอดเวลา เวทนาก็คือความสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจําได้หมารู้จํารูปจําเสียงจำกลิ่นจํารสสังขารก็คือการปรุงแต่งคือเจตสิกปรุงแต่งจิตใจให้เกิดอชอบชังหรือว่าเกิดบุญเกิดบาปวิญญาณก็คือหมายถึงความรู้สึกหรือว่ารู้แจ้งทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นของไม่เที่ยงคือจะต้องแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวล า, าไม่คงที่ของอะไรที่มันไม่เที่ยงมันก็ไม่คงที่เมื่อมันไม่คงที่มันก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันเป็นของไม่เที่ยงไม่คงที่แล้วก็ไม่ควรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นเขานั่นเป็นของเรานั่นเป็นของเขาเพราะจะเป็นการฝืนสภาวธรรม ถาเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์เกิดความเดือดร้อนนี่ฉะนั้นเราจะต้องมายึดมั่นถือมั่นมาในข้อที่สองอนัตตสัญญากําหนดหมายความอาว่าสังขาร น, น, น, นั้เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอนัตตาคือกําหนดหมายเอาอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน อันนี้มันก็เป็นหลักความจริงอยู่แล้วว่าในสังขารของคนเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าให้เรากําหนดเอาอนัตตาแห่งธรรมคือกําหนดเอาอายจนะภายในกับอายจนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโูกเสียงกลิ่นรสาโฑทพะธรรมารมเนี่ยว่าเป็นเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีตน เมื่อเราพิจารณาว่าไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเราก็ละความยึดมั่นถือมั่นเสียได้เราก็จะไม่ติดในรูปไม่ติดในเสียงไม่ติดในกลิ่นไม่ติดในรสไม่ติดการสัมผัสหรือว่าใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆเราก็หยุดได้นะเราหยุดได้แต่ที่เราเป็นทุกทุกวันนี้เพราะเราไปติดในรูปไปสําคัญว่ามันมีตัวมีตนนะไปติดในเสียงไปติดในกลิ่นไปติดในรสไปติดการสัมผัสไปติดในการนึกคิดในอารมณ์ต่างๆ ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาความทุกข์ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นทําให้เราต้องสแสวงหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาการสัมผัสฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้สอนให้เราสำรวมระวังตาหูจหมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกิดนลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจในึกคิดในอารมณ์ต่างๆเมื่อเราสำรวมระวังอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้น ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนหรือถึงจะมีบ้างก็ น, น้อยน่ะน้อยโดยเราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏกับตาหูจมูกเลียนไข่ใจนั้นเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนไม่จีรังยั่งยืนนะ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในข้อที่สามอสุภสัญญาท่านกำหนดไหมเอาความไม่งามแห่งกายคือกาหนด พิจารณาร่างกายอันประกอบด้วยอาการ32ซึ่งเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่ละส่วนเป็นของไม่งามน่าเกลียดเป็นของโสโครกนะเป็นของโสโครกถ้าเราพิจารณาดูซากศพที่รถทับก็ดีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆทิ่มไส้ออกมาอย่างนี้หรือว่าสมองแตกอะไรนะ่็จะเห็นว่ามันเป็นของที่น่าเกลียดน่าขยะน่าขยำมาืาอ หรือยิ่งเราไปเห็นที่เขาพ่าซากศพในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาดูหรือว่าพ่าเพื่อพิสูจน์อ่าพวกภุมิปฎิเหตุต่างๆหรือว่าพ่าเพื่อพิสูจน์พวกบาดแผลต่างๆอะไรอย่างนี้เราจะเห็นว่าเวลาเขาผ่าดูแล้วคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เหมือนกับหมูเหมือนกับวัวกับควายซึ่งภายในไม่มีอะไรที่น่ารักน่าชมเชยน่ายินดี มีแต่เป็นคุ้งเหม็นไปหมดเลยนะกลินเหม็นคาวเหม็นไปทั่วหมดฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าภายในร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่สวยไม่งามนะไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครสกสกปรกเป็นผ้าชนะร่างกายของเราเป็นผ้าชนะที่ใส่ของไม่สะอาดเหมือนกับว่าผ้าชนะที่ใส่อามูดคูดอย่างนั้นแหละนะดูแลมันมันไม่น่าหยิบนะน่ารักแล้วยิ่งเรามาพิจารณาดูในแง่ของภายนอกตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนัง ใเราว่าผมสวยเนี่ยนะเราว่าสวยแต่ถ้าเกิดไร้เส้นผมนั้นมันลงมาในชามข้าวเราเนี่ยบางทีเรากินไม่ได้นะกินไม่ได้แล้วลงมาสักปันอย่างเงี้ยโอ้โหเราขยะขแข็แงมากไอ้ที่เราว่าสวยนั่งจะว่ไม่สวยทันทีนะไอ้พวกเล็บก็เหมือนกันเราเห็นว่าเล็บคนนั้นสวยแหมเราดูแล้วมันสวยแต่พอเราให้เขาตัดออกมาใส่ในชามข้าวของเราหรือใส่ในแก้วน้ําของเราเนี่ยเราจะรู้สึกขยะขแข็แงะสะเอีดละเอียดมากเราจะต้องเททิ้งต้องล้างแก้วใหม่ นี่เนี่ยถ้าเรานึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในในความงามของสังขารก็จะทําให้เราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นอสุภะคือของไม่สวยไม่งามเนียของไม่สวยไม่งามอย่างนี้เราก็สบายใจข้อสี่อาทีนวะสัญญากําหนดหมายโทษแห่งกายคือมีอาพาธต่างๆ ในแก่การกําหนดทิศนาเห็นสังขารว่ามีทุกข์มากมีโทษมากมีโรคอาพาธต่างๆเบียดเบียนเยอะแยะนะคือคนเรานี่สารพัดโรคว่างั้นเถอะมีโรคเบียดเบียนมากมายนะบางคนก็เป็นกันได้สารพัดโรคเหมือนกันบางคนก็เป็นโรคตาแดงบางคนก็เป็นโรค ภายนอกบางคนก็เป็นโรคภายในนะสารพัดโรคสปปรรพทุกสปปรพพโสสปปรพพโรคสปปรรพภัยแก้กันไม่รู้จักหมดนะเราดูกันว่าแต่งตัวคนวสวยๆเนี่ยเราไปดูตามโรงพยาบาลทีคนวสวยๆจากนั้นที่เข้าโรงพยาบาลนะได้ที่ไปนอน บ, บนเตียงก็ดูไม่ได้นะดูไม่ได้แล้วรู้สึกมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหมดนะบอกถึงความหมดอะไรตายยากกันทั้งนั้นนะแต่นั้นนี่แหละถ้าหากว่าเรามองกันตามสภาวะธรรมจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้น เราอาศัยโลกอยู่ไอ้โรคมันก็อาศัยเราอยู่ว่าเรานี่ก็ถือว่าเป็นโลกของโลกอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยมันมีมันมีโทษมากมีโรคมีโรคคาพาธเบียดเบียนสารพัดเลยนบางคนก็ทุกวันนี้ติดกลัวกันมากกับพวกโรคมาเร็งนพวกโรคมาเร็งโรคเบาหวานอะไรอย่างนี้นรักษากันไม่ค่อยหายเรากลัวตายกันมากกลัวตายกันมาก ในข้อที่ห้าประหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมคือกำหนดพิจารณาอากุศลวิตกทั้งสามคือการวิตกพยาบาทวิตกวิหญิงสาวิตกอันเป็นของไม่ควรดำริรับเอาไว้ควรละทิ้งเสียตลอดถึงบาปอื่นๆอีกด้วยเราควรละไปเถควรทาลายเตี้ยการที่ตรึกนึกคิดเกี่ยวกับเรื่อง โรคเสียงเป็นรถอะไรเนี่ยควรจะละไปอการตึก น, นึกคิดในการที่จะพยาบาทอาฆาตเกียดแค้นผู้อื่นก็ควรจะละออกไปการคิดจะเบียดเบียนหญิงสาววิตกคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นก็ควรจะละเสียสละออกไปอืให้มันหมดไปถ้าเราคิดเสียสละออกไปทิ้งออกไปแน่นอนที่สุดเราก็มีแต่ความสบายใจมีเมตตาเขาให้มากนะเมตตาเขาให้มากอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ ข้อที่หกวิราคัสัญญากำหนดหมายวิราคะคืออริยมรรคว่าเป็นธรรมอันละเอียดคือกำหนดพิจารณาในธรรมอันปราศจากราคะว่าเป็นธรรมอันละเอียดประนีตเป็นธรรมที่ระ ง, งับสังขารทั้งที่เป็นเครื่องสำรองกิเลสดับตัณหาด้วย <c oughs> คือหมายความว่าให้เร า, เ, าเบื่อหน่ายในสังขารนะเมื่อเราเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารเกิดไม่พิทายานขึ้น นิพปีธายานความเบื่อหน่ายในสังขารเมื่อเราเบื่อหน่ายในสังขารแน่นอนที่สุดก็ทําให้เราสิ้นความกําหนับกาสิ้นความกําหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องต่างๆอเมื่อเราสิ้นความกําหนับนั่นแหละคืออริยมรรคอริยมรรคก็เกิดขึ้นทางอันของพระเจ้าก็มันเกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมอันละเอียดคือเราจะต้องพิจารณาพิจารณาธรรมทั้งหมดนั้นที่ปราศจากความกําหนับความยินดี ในรูปต่างในรูปในเสียงในเป็นในรถเป็นต้นว่าเป็นธรรมอันละเอียดประณีตเป็นธรรมที่ระ ง, งับสังขารที่เป็นเครื่องสำรอกกิเลสอตัณหาคือทําให้กิเลสตัณหาหมดไปหรือเบาบางไปก็จะมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจข้อที่เจ็ดมีโรธสัญญากาหนดหมายถึงความดับตัณหาคืออริยผลว่าเป็นธรรมอันละเอียด คือกำหนดพิจารณาในธรรมอันเป็นที่ดับว่าเป็นธรรมอันละเอียดประณีตยิ่งนักเป็นธรรมเครื่องออกจากกิเลสตันหาเป็นธรรมดับสนิทคือตัวนิโรธก็คือตัวดับตันหานั่นเองนะในเหตุที่ที่จะให้เกิดทุกข์ก็คือตัวตันหานะตัวตันหกก็คือการมาตันหาเพราะว่าตันหาวิเพราว่าตันหาฉะนั้นนิโรธเนี่ยตัวดับตัวดับเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ก็คือดับตัวตันหา ดับการมาตัญหาดับภาวะตัญหาดับวิภาวะตัญหาตัวดับไปบก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจข้อแปัพพโลเกอนะทิทธะสัญญากำหนดหมายความ <c oughs> ไม่น่าเพลิดเพลินจเจริญใจในโลกทั้งปวงคือได้แก่การกำหนดพิจารณาในทางงดเว้นไม่ถือมั่น ไม่ถือมั่นในเครื่องเป็นเหตุให้ถือมั่นในสิ่งต่างๆอันนี้ก็หมายความว่าในสรรพสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็ควรจะกําหนดพิจารณาควรจะงดเว้นไม่ถือมั่นการที่เราไปถือมั่นยึดมั่นก็จะทําให้เรานะั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน ฉะนั้นเราจะต้องไม่ยินดีนะไม่ยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกสำหรับคนผู้โง่เขลาก็ย่อมจะติดโลกย่อมจะหลงโลกเมื่อติดโลกหลงโลกก็แน่นอนที่สุดก็จะหมกอยู่ในโลกด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมนั่นเองก็เป็นเหตุที่จะต้องให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลา <c oughs> มาในข้อที่เก้าอันอันสัพพสังขารสุอนิทัศญยากำหนดหมาย ความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวงได้แก่การกําหนดพิจารณาสังขารทั้งปวงเป็นของน่าเบื่อหน่ายน่าเกลียดน่าชังใน้คำว่าสังขารทั้งปวงนี้ในที่นี้ให้เร า, เาพิจารณากําหนดถึงสังขารที่มีใจครองขปาทินกาสังขารนีนะ่ะว่าเป็นของที่น่าเกลียดนะเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายเพราะว่าในร่างกายของคนเราอย่างที่บอกประกอบด้วยท่าตีหรือว่าประกอบด้วยขันท่า แน่นอนที่สุดมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็ปวนแปในท่ามกลางแต่สลายไปในที่สุดอาสังขารของเราเต็มไปได้วยรังของโรคสังขารของเราเปรียบเหมือนภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดเพียงแต่เราไม่อาบน้ําวั น, ว, น, ว, นวันหนึ่งแค่นั้นก็สกปรกเรเปอนเปื้อนเหม็นสาบเหม็นสางนะกลินปากกินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่แปรงฟันมันก็เหม็นนะไม่ลูบหน้าหน้าตามก็ดูกไม่ได้ นี่แหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเกิดความเบือเเบ่อหน่ายในสังขารเมื่อเราเบื่อหน่ายในสังขารแน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้นขึ้นสู่ทางอันประเสริฐนะทางของพระเยซูเจ้าก็จะทําให้เราสิ้นความกําหนัดได้อข้อที่สิบก็คืออาณาปานสติมีสติกําหนดลมหายใจเข้าออกนะได้แก่การตั้งสติคอยกําหนดลมหายใจ เ, เข้าออกมีระยะยาวระยะสั้น อย่างไรก็กํากหนดให้รู้ได้นะกําหนดให้รู้ได้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีความสบมายใจนะในเรื่องของอานาปนาสตินี้ท่านจัดไว้เป็นสีนะ่ภาคอภาคละสี่หมวดรวมก็เป็นสิบหกหมวดอาจจะยกมาเพียงข้อสองข้อเช่นว่าหายใจออกยาวอก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้หายใจออกสั้น เราจับเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกเราก็จะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจเข้ามันก็เช่นเดียวกันในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเรากำหนดแบบอานาปานัสตนะิกำหนดแบบอานาปานัสติหากว่าในในได้กล่าวไว้ในต้นแล้วว่าสัญญาสิบประการนี้นะสัญญาสิบประการนี้ ซึ่งมีมาในครีมานนทสูตรนะก็มักจะไปะสวดหรือไปแสดงกันในงานที่มีการให้ผู้เจ็บป่วยหรืออาพาทนั้นฟังแต่ถ้าเรามาคิดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมัยนี้ถ้าไปแสดงให้รู้แล้วก็ไปสวดให้ฟังอย่างเนี้ยมันจะหายไหมหายไม่เห็นถ้าใจยากเราะอาจจะมีได้เป็นกําลังใจเพราะไม่รู้เนื้อความสมัยก่อนนั้นเขาพูดเป็นภาษาบาลีก็รู้เนื้อความก็อาจจะหายป่วยได้ แต่สมัยนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้แต่ก็ได้บุญได้กุศลทำจิตใจให้เอิ้อิ่มก็มีโอกาสที่จะหายได้แต่ว่าควรจะแสดงเป็นธรรมดีกว่าฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีปัญหาถามว่าสติกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจึงเรียกว่าอานาปานาสตินั้นมีนิเทศว่าอย่างไรแล้วก็ตอบว่ามีนิเทศว่า ให้มากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมีสติควบคุมอยู่เสมอเมื่อหายใจเร็วก็รู้หายใจเร็วหายใจช้าหรือหยาบ ก, ก็รู้หายใจช้าหายใจหยาบ ก, ก็รู้หายใจหยาบหายใจละเอียดก็รู้หายใจละเอียดรู้อย่างไรก็ให้รู้โดยอาการนั้นๆดังนี้เรียกว่าอานาปานสติหรือจะถามว่าสัญญาสิบอย่างนี้ใครแสดงแก่ใครก็อย่างที่ได้บอกมาแล้วพระพุทธเจ้าแสดงแก่พระ อ, อ น, นุ์ แล้วก็จัดสั่งให้พระอนนท์ไปแสดงแก่พระธิริมานฑลผู้กำลังอาพาธเมื่อพระอนนท์ไปแสดงแก่พระคิริมานาาามออา น, น, แแาน์แล้วก็ปรากฏว่าพระคิริมานฑก็หายจากอาพาธทันทีนะหายจากอาพาธทันทีต่อไปก็จะแสดงในหมวดที่สิบเกี่ยวกับเรื่องสัตธรรมสิบประการต่อจากาต่อจากสัญญา1ิประการแต่เพียง ย, ย่อๆให้เหมาะสมกับเวลา สัตทมสิบประการคําว่าสัธทมแปลว่าธรรมของสัตตุรุษมีสิประการคือหนึ่งโสดาปติมัคสองโสดาปติผลสามสกทาคามิมัคสี่สกทาคามิผลห้าอนาคามิมัคหกอนาคามิผลเจ็ดอรหัตมัคแปดอรหัตผลเก้าพระนิพพานสิทพระปริยติธรรมมัคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเรียกว่าโลกุตระธรรมเก้าเรียกว่าโลกุตระธรรมเก้า ทานี้ปริยัติธรรมในแก่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันประกอบด้วยองค์เก้านะอันประกอบด้วยองค์เก้าที่เรียกว่าอาสัตวทุศาสก็มีนะสัตว์ทุศาสก็มีซึ่งในที่นี้จะขอพูดในด้านปริยัติอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องโสดาปฏิมกโสดาปฏิผลสกาทาคามิมรโสกาทาคามิผลานาคามิมรานาคามิผลารหัตตมรานาตผลได้พูดมามากแล้วส่วนเิตพาน นั่นก็ยังไม่ได้พูดแต่จะพูดย่อๆคําว่านิพพานนี่แปลว่าดับก็ได้แปลว่าหาเครื่องเสียดแทงนี่ได้ก็คือไม่มีอะไรเสียดแทงก็คือว่าไม่มีตัณหากิเลสตัณหาก็เสียดแทงได้แปลว่าดับแปลว่าดับนิพพานนี้แปลว่าดับดับกิเลสดับกิเลสดับราคะดับโทสะดับโมหะไอคําว่าดับนี่หมายถึงว่าเหมือนกับว่าเราดับไฟไฟมันเป็นของร้อนเราก็ดับดับให้มันเย็น เหมือนกันราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นไฟพระพุทธองค์จึงได้จัดว่าราคะขี้ไปคือราคะโทสะขคิไปคือโทสะโมหะขี้ไปคือโมหะฉะนั้นเราต้องดับก็ต้องดับการจะดับอไฟอย่างนี้ก็คือเราจะต้องแน่นอนที่สุดต้องยึดหลักอยู่ว่าเจริญสมถะวิปัสสนาเนจริญสมถะวิปัสสนา โดยยกสังขารขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นใจรักอนิจจ์ทุกขังอนัตตาก็สามารถจะตัดกิเลสตายขายกิเลสทิ้งเห็นจริงคือความไม่มีตัวตนก็จะพ้นจากความทุกข์ถึงความศักคือพระนิพพานได้นพระนิพพานมีสองอย่างอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสแล้วยังมีเบญจขันธ์เหลือหรือหมายหรืออีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสนิพพานประเภทที่สองอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสแล้วไม่มีเบญจขันธ์เหลือหรืออีกอย่างหนึ่งว่า าาธาตนิพพานนะไม่ว่ า, าธาตุนิพพานนี่ก็พูดแต่เพียงย่อๆ น, นี่พานนี่ถือว่าเป็นเป็นบรมสุขเป็นการเรียกว่าสิ้นภพสิ้นชาติไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายอีกแล้วนหมดการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่เป็นเรื่องของนิพพานที่มาในเรื่องของปริยัตินะพระปริยัติธรรมพระปริยัติธรรมนะที่เรียกว่าเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะ รีก่ก็เป็นคำสังสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นเก้าบางทีก็เรียกว่านวังคัตรุศาสตร์เรียกว่านวังคัตรุศาสตร์แปล ว, ว่าคำสังสอนของพระบรมศาสดาหรือว่าคำสังสอนของพระบรมครูมีเก้าประการก็คือหนึ่งสุตตะสุตตะสุตตะก็ได้แก่ระเบียบคำที่ยกข้อทำขึ้นแสดงแล้วบรรยายข้อข้อ ก็ทํานั้นๆให้ประจับถึงยกข้อประมาณในบางตอนเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้เห็นดังคําว่าพิจุทั้งหลายเอทําเป็นกําลังห้าอย่างนี้ห้าอย่างนั้นอะไรบ้างคือศรัทธาภละเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าสุตต์นะสุตต์ข้อสองเคยะได้แก่ระเบียบคําที่เป็นคําไวยากรณ์บ้างเป็นคาถาบ้างปนกันเอะจะพูดว่า เป็นคำร้อยแก้วบ้างเป็นร้อยกรองบ้างปะปนกันก็ก็เห็นจะไดะ้มีตัวอย่างในภาษาบาลีเช่นในคำในสคาาวั์สังยุตติกายตั้งต้นแต่อโอคตรัโอโอครตนะสูตรซึ่งเป็นสูตรแรกในสคาาวัตเป็นต้นไปทีเดียวเรียกว่าเป็นธรรมนองเคยะนะเป็นธํานองเคยะนะ ทนี้มาในข้อสามก็คือว ย, ยากรณะได้แก่ระเบียบคำที่ร้อยแก้วลว้วนไม่ไม่มีคาถาปนแสดงอัดแห่งธรรมในเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งโดยลำดับเช่นธรรมจักรปรวัตนสูตรเป็นต้นมาในข้อที่สี่คาถาได้แก่ระเบียบคำที่ผูกขึ้นให้งามและก็ไพเราะด้วยอักษรอันประกอบด้วยลักษณะคำ อเป็นคณะกําจัดละอคารุลาหุเรียกว่าเป็นคําร้อยกรองเป็นฉันเรียกว่าเป็นพวกากาบกรอนโครงฉันในนังสืไทยเราก็เช่นว่าอย่างเรื่องพระอภัยมณีเรื่องอินเนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เลยเรียกว่าคาถาเรียกว่าคาถาแล้วมาในข้อที่ห้าอุทานนข้อที่ห้าอุทาน อุทานก็คือได้แก่ระเบียบธรรม ท, ที่พระผู้มีพระภาคจเจ้าทรงอาศัยโสมนัสอสยานแล้วก็เปล่งเนี่ก็เปล่งคือหมายความว่าที่เปล่งออกโดยไม่ได้ทรงนึกว่าจะตัดไว้ก่อนดังอุทานในเวลาแรกที่ตรัสรู้ที่ทรงได้เปล่งอา่าด้วยความโสมนัสว่าอเนกชาติสังสารังสังขาวิสังอนิพิสังขหะก า, ารังเขเวสันโตทุกขาชาติปุรณะปุณังเป็นต้น ความว่าเราเมื่อแสวงหานายช่างเรือนคือตันหาเมื่อไม่ประสบได้ท่องเที่ยวไปในสงสารสิ้นชาติไม่น้อยเพราะการเกิดเป็นทุกข์บ่อยๆนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นลักษณะของอุทานมาในข้อที่หกข้อที่หกก็คืออิติวุติกะได้แก่ระเบียบคำที่ทรงยก ทรมบทใดบทหนึ่งนะที่ทรงยกทมบทใดบทหนึ่งขึ้นตั้งเป็นประธานไว้แล้วจัดอธิบายความในข้อทำนั้นๆสุดท้ายจะเป็นคำนิคมคือคำสรุปํำกลับไว้อีกคำนิคมเป็นการยืนยันในเบื้องต้นให้แน่นแฟนคำอย่างนี้ก็เป็นวยายกรก็มีเป็นคาถาก็มีแต่ส่วนมากนิยมเป็นคาถาเช่นทชัชกสูตรนะขับ ภาษาทัูตรเป็นต้นอันนี้หรือว่าถ้าเป็นนิทานก็จะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรในทํานองอย่าง น, น, นี้มาในข้อที่เจ็ดก็คือชาดกชาดกได้แก่ระเบียบคำที่แสดงถึงบุรพาจริยาคือความประพฤติที่เคยทรงนำมาแต่ปางก่อนหรือธุรกิจที่เคยทรงทา ม, มาแต่ชาติผลหลัง รวมเป็นบุรพจริยาของภาษาวกด้วยอย่างเรื่องของมหาเวสัดนดรชาดกเพลงนี่นะเรื่องของมหาเวสัดนดรชาดกอย่างนี้ก็ใช่มาในข้อที่แปดอภูตธรรมะได้แก่ระเบียบคําอันแสดงถึงเหตุที่อัศจรรย์อันไม่เคยมีดังคําว่าพิสุทั้งหลายอัภูตธรรมที่อัศจรรย์สี่อย่างนี้เรื่องเฉพาะเช่นนี้ในหนังสือไทยเรายังไม่เคยพบนะยังไม่มี ออย่างนี้ก็เป็นลักษณะของอในแก่ระเบียบธรรมที่ประกอบด้วยความอัจฉริยะของธรรมนะอัจฉริยะของธรรมคืงหมายถึงว่าเป็นเป็นธรรมที่พระศาสด า, า, าอาิบดว่าเป็นอัจฉริย์คือว่าเป็นของจ ร, ริงที่ทําผู้ปฏิบัติให้ได้ผลจ ร, ริงโดยไม่เลือกเวลาสามารถทําให้สามารถนํามาอวดได้นะนำมาอวดได้ไม่เกรงใครว่าจะคันทุกยุกทุกสมัย ข้เก้าเวทันะได้แก่ระเบียบคําถามและคําตอบที่ผู้ถามและผู้ตอบให้ความรู้แจ้งและก็ความเข้าใจเป็นอย่างดีเป็นลําดับขึ้นเช่นว่าอจินลเวทณสูตรหรือว่าสักกะปัญหาสูตรเป็นต้นออย่างนี้ในในหนังสือไทยเราก็อย่างเช่นนิลินทปัญหาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นหนวังค้าศัตรูศาสตร์นะที่ยกมาก็ พอเป็นแนวทางย่อยๆนะพอเป็นแนวทางย่อๆก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาก็พอจะเข้าใจเพราะว่าอันนี้ก็มีหลักสูตรในอของโรงเรียนด้วยเกี่ยวกับเรื่องระวังขา้าศึกศาสตร์หรือปะยะติธรรมก็คิดว่าอพอเป็นแนวทางได้บ้างส่วนโลกุตระธรรม9้าที่มีอธิบายแล้วในหมวดนั้นก็ให้นักเรียนนักศึกษาไปค้นคว้าอีกทีหนึ่งก็คิดว่าพอสมควรตับเวลาเอาละเกี่ยวกับเรื่องการบรรยาย สัญญาสิทธิการก็ดีสัตรูสิทธิการก็ดีก็ยุติลงเพียงท่างนี้ในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุดความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร